อย่างแต่ก่อนเหมือนประมาณว่าเวลาที่หนูจะขึ้นรถอะค่ะแต่ว่าด้วยความที่เมารถแล้วก็พอแบบว่าเวียนหัวเวียนหัวเสร็จปุ๊บก็คือเหมือนประมาณว่าเสียงหายทุกคนที่คุยในรถอะหนูจะแบบว่าได้ยินแต่ได้ยินแบบเบาๆบางครั้งแบบเสียงหายเลยหนูก็เข้าไปอยู่ข้างในแต่เหมือนประมาณว่าหนูพูดแบบนี้ให้พี่มุ้ยฟังบ่อยๆพี่มุ้ยบอกว่าคืออย่างเงี้ยเหมือนเหมือนจิตมันหลบหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยตจอาค่ะ และหลังจากนั้นหนูก็พยายามรู้สึกตัวแบบว่าไม่ไม่หลบเข้าไปข้างในอะเจ้าค่ะอก็ถูกแล้วหลังจากนั้นเหมือนประมาณว่าอยู่อยู่ในรถก็คือเหมือนประมาณว่าทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมแต่ก็คือเสียงเสียงทุกอย่างไม่หายแต่ข้างในหนูก็แบบว่ามันก็โศกของ ม, มันแต่มันก็ได้ยินทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอืถูกแล้วแล้วก็ฝึกอย่างนี้ให้ต่อเนื่องนะ รับรู้ทุกอย่าง้งตาหูจมูกลิ้นกายใจภายในจิตใจเรามีความรู้สึกมีคิดอารมณ์ยังไงรับรู้ทุกอย่างอย่าหลบอย่าหนีอย่าผักใส่เขาอย่าอย่าคิดทําลายเขาอย่าตำหนิติเตียนเขาอย่าด่าว่าเขาสามารถรับรู้ทุกอย่างตามความเป็นจริงได้ด้วยใจที่ปล่อยวางรับรู้ทุกอย่างได้ตามความเป็นจริงด้วยใจที่ปล่อยวาง แต่ที่สงบเมื่อปล่อยวางแล้วใจก็สงบใจก็ว่างเปล่าไม่ใช่ไปอยู่กับความรู้สึกว่างเปล่าแต่ไม่รับรู้อะไรอันนั้นผิดนะถ้าไปอยู่กับความสงบภายในอยู่กับความว่างเปล่าแล้วไม่รับรู้ไม่มีสมัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมภายนอกทําอะไรก็ไม่รับรู้ไปอยู่แต่ความรู้สึกสงบนิ่งว่างเปล่าอยู่ภายในอย่างเนี้ยใช้ชีวิตประจําวันไม่ได้เลยมันจะอันตรายหลายอย่างแล้วทํางานจะผิดผิดพลาดเยอะ มีบางคนนี่ไปรับรู้แต่ภายในขี่มอเตไซคไปสอนหนังสือแล้วรับรู้แต่ภายในไม่รับรู้ภายนอกขาดสัมปัชัญญาคือความรู้ตัวตั ว, ต ว, ตวพร้อมภายนอกโ ด, ดนรถบรรทุกเหยียบไปเลยยังไม่รู้เรื่องเลยรถมอเตอร์ไซแบนเลยแต่ตัวเองไม่ตายเพราะตำรวจจับมาเลยไปหน่อยเดียวมีป้อมตำรวจตำรวจจับมามาทำแผนที่เกิดเหตุอ้าวมาทําไมคนมาทำไมเยอะแยะหมดอ้าวรู้อยู่แต่ข้างในไม่รับรู้ข้างนอกเลยมันเป็นแช่นิง่งเฉย ไปพุโทโธพุโทโธข้างในบางทีไม่ไม่รับรู้ข้างนอกมันต้องมีสมัมพัญธยาคือรู้ตัวทั่วพร้อมว่ากําลังทําอะไรไม่คืนไม่รู้ตัวทั่วพร้อมด้วยกำลังทำอะไรอยู่ไปรู้แต่ข้างในอันตรายหลายอย่างเช่นทำงานกับเครื่องจักรทางานกับของมีคมอัดอันตรา ย, ายแรงกว่านั้นเนี่แต่นี่ขีข่รถขับรถอยู่บนถนนก็อันตรายายแรงอาจถึงชีวิตได้นะเอออย่าหลบอย่าหลบเข้าไปอยู่กับความรู้สึกนิ่งเฉยว่างภายในแล้วไม่ยอมรับรู้ ภายนอกตามความเป็นจริงไม่ยอมรับรู้ความคิดอารมณ์ความรู้สึกทุกอย่างตามความเป็นจริงไม่ยอมรับรู้อทั้งสภาวะภายนอกตามความเป็นจริงปัญหาไม่แก้หนีปัญหาอยู่เรื่อยหนีปัญหาเข้าไปอยู่ในใจนิ่งเฉยอยู่กับใจนิ่งเฉยว่างแต่ปัญหารอบตัวเองปัญหาของตัวเองไม่แก้เลยปัญหาในที่ทํางานทึ่เป็นหน้าที่ของตัวเองจะต้องแก้ก็ไม่แก้ เอาแต่ตัวเองใจสบายยิ้มไปยิ้มมาอย่างเดียวเอาตัวเองใจสบายยิ้มไปยิ้มมาอย่างเดียวแต่ปัญหาของตัวเองปัญหาครอบรอบข้างซึ่งมันเกี่ยวข้องกับตัวเองไม่แก้เลยปัญหาในที่ทำงานไม่ยอมแก้ไขไม่ยอมรับรู้ปัญหาในจิตใจก็ไม่ยอมรับรู้ไม่ยอมแก้ไขไปอยู่กับใจนิ่งเฉยว่าหลอกตัวเองอย่างนั้นน่ะสุดท้ายข้างนอกไม่ค่อยรับรู้อะไรเลยรับรู้แต่ข้างในอันผิดนะผิดพลาดมหาศาเลยผิดพลาดมหาศ แล้วจะเป็นโรคตามมาอีกหลายโรคถ้าไปอยู่กับใจนิ่งเฉยว่างเราไม่ยอมรับรู้อะไรเพราะหนักๆเข้ามันจะมีโรคตามมาอีกหลายโรคเช่นโรคประสาทอันดับแรกโรคจิตโรคประสาทโรคไมเกรนปวดหัวข้างเดียวโรคท้องอืดแน่นลิ้นเป็นฟ้าขาวกินข้าวไม่ได้ขอบตาแดงคันไปหมดเลยแล้วก็มีเป็นผืนขึ้นตามตัวไม่รู้สาเหตุเก็ดเลือดเม็ดเลือดขาวตกต่ำไม่รู้ตัว ตกต่ำไปจนมากมายอันถึงอันคิดอันตรายจนภูมิกุ๊งกันบกพ่องทำร้ายตัวเองได้สารเคมีอวัยวะในอยวะต่างๆในร่างกายไม่ทำงานผลเสียตามมาเยอะมากแล้วก็ผลเสียกับการงานก็เสียหายย่อยยับอาจจะอาจจะเสียหายถึงชีวิตแต่คนก็หลายคนก็ชอบอย่างเนี้ยปฏิบัติธรรมเนี่ยเท่าที่มาหาลงตายี่สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเกินครึ่งนะที่ปฏิบัติผิดอย่างเนี้ย เขาไปอยู่กับความรู้สึกภายในแล้วไม่ยอมรับรู้ความจริงภายนอกแล้วไม่แก้ปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะปัจจุบันหนีปัญหาเขาไปอยู่กับความรู้สึกนิ่งฉเฉยว่าเดินยิ้มไปยิ้มมายิ้มไปยิ้มมาพอลงตาทักก็หน่อยว่าทําไมจึงเดินยิ้มไปยิ้มมาแต่ทําไมอใจาข้างในจึงไม่ยิ้มด้วยละ่ะแก่นั้นแหละระบายสามีไม่ดีอย่างงั้นสามีไม่ดีอย่างนี้นสามีไม่ดีอย่างนั้นร้องห่มร้องไห้ว่าแต่สามี แล้วก็พอถามเขาจริงๆว่าสามีไม่ดียังไงมากไหนบอกว่าที่เรียกคนมาฟังหลายๆคนมาช่วยกันฟังก็ แ, แค่สามีไม่เอาใจแค่นั้นเนี่ยสามีทำํำอะไรไม่ได้อย่างใจแค่นั้นเนี่แค่นั้นแนะน้อยใจมโหเขามาอยู่ที่วัดแล้วมาอยู่กับใจที่สบายไม่ยอมรับรูปปัญหาอะไรสบายใจเดินยิ้มไปยิ้มมาแต่พอทักเข้าร้องโหยร้องไห้ว่าแต่สามีว่าสามีไม่ดีอย่างนั้นสามีไม่ดีอย่างนี้ พอฟังเขาจริงๆแล้วแค่สามีไม่เอาใจแล้วก็ไม่ทําใใท ไ, มทไม่ได้อย่างใจเราจะให้ทําอะไรสามีก็ทําไม่ได้อย่างใจพวกที่เขามาฟังเนี่ยเขาก็มีครอบครัวหลายครอบครัวมานั่งฟังอยู่เขาก็เลยบอกว่าแล้วสามีคุณทํางานนอกบ้านหรือเปล่าโอยสามีทํางานนอกบ้านหาเงินแล้วคุณทํางานหรือเปล่าไม่ได้ทํางานอยู่บ้านสามีทํางานทั้งวันกลับบ้านคุณใช้เขาอีกทํางานอีกหลือทำงานบ้านเขาทํำไหมอ่ะ ถ้าใช้ถึงทำมันไม่ยอมใช้ไม่ยอมทําำอกว่าโมโหตรงเนี้ยถ้าไม่ใช้ก็ไม่ทำํำนะใช้ถึงทําแล้วเวลาใช้เขาก็ทํำไหมทําแต่ต้องใช้ถึงจะทําร้องให้อ่ะแล้วอย่างอื่นมีไหมเรื่องที่เสียหายมากกว่าเนี้ยไม่มีโอ้ยพวกที่เขามานั่งฟังเนี่ยเขาสามีภรรยาก็มานั่งฟังกันหลายคนก็บอกว่าเขาเป็นนักธุรกิจใหญ่เป็นเจ้าของสถานพยาบาลต่างๆเนี่ย เขาบอกว่าสามีคุณดีที่สุดในโลกเลยผมมาทํางานนอกบ้านเหนื่อยขนาดเนี้ยสามีไม่ทํางานอยู่บ้านเออภรรยาไม่ทํางานอยู่บ้านผมกลับบ้านคือมาใช้ผมเลยยังมาจะมาใช้อีนี่ใช้ยังทํางานนะนี่ยังมาเขาทํางานให้แล้วไม่ได้อย่างใจมโโหเขาแล้วแค่นี้น้อยใจมาหนีมาอยู่วัดโอ้ยอย่างนี้มันแช่สนิทเลยเนะี่ย ใช่เดินยิ้มไปยิ้มมาสบายใจพอทักก็หน่อยทําไมใจไม่ยิ้มอฮ้ยร้องห่มร้องไห้วักแต่สามีลำพึงลำพันสามีไม่ดีอย่างงั้นไม่ดีพอถามก็จริงไม่มีเรื่องอื่นเลยไม่ว่าเออสามีไปแอบมีเมียน้อยเมียใหม่แต่ไม่สามีเป็นคนดีมากเลยไม่มีอย่างนั้นเลยโอ้นี่ขนาดสามีก็าแม่ใจนิดเดียวร้องไห้เป็นวักเป็นเวนขนาดเนี้ยแล้วอย่างอื่นมันไม่แย่กว่านี้เหรอเนี่ย มันเนี่ยมันไม่ยอมรับรู้ปัญหาไม่ยอมมันไปอยู่กับใจที่นิ่งเจือ่อโป่งโลงเบาสบายไปอยู่กับใจว่างๆแล้วไม่ยอมรับรู้อะไรอะ่ะบางเราถามเขาบอกว่าเป็นไงอะ่ะออกไปโดนแดดก็ไม่รู้ร้อนเลยออกไปโดนหนาวก็ไม่รู้หนาวไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวมันเป็นยังไงอะ่ะสบายเดินกลางแดดเป็นไงหน้าเมษาร้านอนสบาย ใจเย็นสบายเดินยิม้มอาการหนาวไปเดินกลางอากาศหนาวๆเป็นไงไม่หนาวเลยเดินสบายใจยิม้มไม่รู้ร้อนรู้หนาวเลยเวลาทํางานในที่ทํางานน่ะไม่มีปัญหาแต่ถามคนรอบข้างนี่เพื่อน เ, อเอร่วมงานบอกคนนี้ปัญหามากที่สุดเลยแต่เจ้าตัวบอกไม่มีปัญหาคือไม่ยอมแก้ปัญหาไม่ยอมรอบับรู้ปัญหาแล้วเวลาโดนเจ้านายดุบ่อยพอเจ้านายโดนเพราะเจ้าเลย สอบถามไปว่าไอเหตุที่นิ่งหลบหนีเข้าไปอยู่กับจิตนิ่งเฉยข้างในเป็นเพราะอะไรเพราะว่าโดนเจ้านายดุบ่อยก็ดุบ่อยก็เพราะตัวเองอะไม่ยอมแก้ปัญหาไม่ยอมรับรู้ปัญหาในหน้าที่ของตัวเองเลยโดนเจ้านายดุบ่อยแล้วเจ้านายดุทําไงพอเจ้านายเดินมาปุ๊บรู้ว่าเจ้านายจะดุแล้วเห็นเจ้านายเนี่ยมีแต่ปากขมุบขมิบขมุบขมิบขมุบขมิบมุมิไม่ได้ยินเสียงเจ้านายเลยพอเจ้านายเดินเจ้านายเดินเลยไปแล้วจึงจะรับรู้ทุกอย่าง ขึ้นมาแล้วก็ทำอยู่อย่างเนี้ยเป็นประจำบอกว่าสุดยอดเลยเจ้านายใครจะดา่าใครจะว่าได้ยินแต่เสียงปากเขาบุ๊บเขามิขาุบเขมิ บ, บ, บตัวเองใช้ไม่ได้ยินเสียงเขาเลยโอ๊ะลูกตายทําไม่ได้เลยแบบนี้เก่งกว่าลูกตายทำได้ยังไงแบบเนี้ยดับจิตเครื่องชนเลยดับเครื่องชนดับจิตไปเลยอะ่ะโอ้เวนี่เก่งมากนะยอมรับยอมแพ้ยอมแพ้ ผิดแบบยอมแพ้ทําผิดผิดแบบนี้อย่างยอมยอมแพ้เลยอะทําไม่เป็นเลยอ่ะุ้ยคนทั้งหลายเนี่ยชอบทาแบบเนี้ยมาหาเนี่ยโอ้โหเยอะมากเลยคนอย่างเงี้ยอโหลๆออกมาให้มรับรู้ทุกอย่างตามความเป็นจริงอแต่ใจเนี่ยไม่เขาแก่รับรู้ทุกอย่างตามความเป็นจริงมีปัญหาก็ต้องแก้ต้องแก้ไปเลยแก้ไปเลยทั้งปัญหาภายในใจและปัญหาภายนอกแต่ใจอ่ะอย่าเข้าไปมีปัญหา แต่ปัญหาเนี่ยที่เกิดขึ้นต้องแก้ไม่ใช่ว่าคนเราไม่มีปัญหาเจ็บไข้ได้ป่วยห ร, รือ่างกายตัวเองเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องแก้ก็ต้องพาตัวไปหาหมอก็ต้องแก้เ่จิตใจมันไม่สบายก็ต้องแก้มันไม่สบายเพราะอะไรก็ต้องแก้เออมันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเราเราต้องแก้เออแต่ใจไม่มีปัญหาอาการของใจเดี๋ยวมันก็สบายใจมั่งไม่สบายใจมั่งเดี๋ยวว่าคิดดีคิดชั่วคิดบุญคิดบาปคิดกุศลนักกุศล มันก็สลับสลัเปลี่ยนไปสบายใจบ้างสบายสบายใจบ้างสบายเนื้อสบายตัวสบายกายสบายใจไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวไม่สบายกายไม่สบายใจมันเป็นเรื่องปกติอันนี้มันเป็นเรื่องของขันห้าซึ่งเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้มันเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราเราจึงมันบังคับไปไม่ได้เป็นอนัตตาบังคับไปไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราเราก็เห็นว่าอาการของมันเนี่ย สภาวธรรมต่างมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอาการเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเขาเปทำรรมชาติของมันเนี่ยไม่มันไม่มีปัญหาหรอกแต่อยู่ที่ใจเราไปมีปัญหากับมันหรือเปล่าถ้าใจเราไม่มีปัญหากับมันก็หมดปัญหาก็หมดทุกในโลกทั้งหลายเนี่ยมันก็มีปัญหาของเขาเองนั่นแหละมีปัญหาไปก็แก้ปัญหาอะไรร่างกายแก่เจ็บตายนีสุกภาพเจ็บไขยได้ป่วยมันธรรมชาติก็มีปัญหาของมันเนี่ยเพราะว่าการเกิดมาเป็นทุกข์แต่ใจเราไปมีปัญหากับมันเปล่าล่าเราไ ใจเราไม่เข้าไปมีปัญหากับมันใจเราก็ไม่ทุกข์การทํางานอยู่ร่วมกับคนหมู่มากลูกติดลูกตาเนี่ยมีมีมากมายทั่วโลกสลับสับเปลี่ยนไปเรื่อยหมุนเวียนกันปัญหาก็ย่อมมีมากตามมาในที่ทํางานคนหมู่มากก็ย่อมมีปัญหามากปัญหาทุกอย่างก็ต้องแก้ทุกวันแก้อยู่ตลอดเวลาแก้อยู่เรื่อยๆแต่ใจเนี่ยไปมีปัญหากับสิ่งเหล่านั้นหรือเปล่า ถลบปัญหาไปอยู่กับใจตัวเองนิ่งเฉยเฉยบอกปล่อยวางไม่รับรับรู้ปัญหาอะไรโอ้ยตายเลยปัญหาวุ่นวายตายเลยสั่งสมแต่ปัญหามันกองขยะมันต้องแก้ปัญหามันเกิดจากระบบอะไรล่ะระบบเงินระบบคนระบบเครื่องจักรระบบการงานระบบการวางระบบหรือเปล่าล่ะมันมีปัญหาทั้งหมดน่ะทุกอย่างอ่ะเองครับจะมีวิชาไอ้นั่นทำไมล่ะแมนจ์เมนต์น่ะ การบริหารการจัดการองค์กรการบริหารการจัดการบุคคลการบริหารการจัดการการเงินการบริหารการจัดการเครื่องจักรการบริหารการจัดการกระบวนการวิธีการไอวิชาแมเนชเมนท์อ่ะการบริหารการจัดการอ่ะมัน้อแยกสาขาเอาไปว่ามีการเงินการธนาคารการบัญชีรดแต่ปัญหาทั้งนั้นเลยเนี่ยปัญหาเกี่ยวกับการแก้ปัญหาอของระบบการเงินระบบบัญชีต่างๆ แล้วก็บริหารการจัดการเกี่ยวกับคนเนี่ยเนี่ยการบริหารจัดการเกี่ยวกับคนเนี่ยเขาต้องมีโดยงานใหญ่ๆทุกหน่วยงานจะต้องมีมีจบรับพวกที่เมเนจเมนต์บริหารการจัดการเกี่ยวกับคนเพราะว่าคนมันเป็นเป็นปัญหาต้องมาแก้ไขปัญหาระบบคนแล้วก็มาแก้ปัญหาแก้ปัญหาระบบเกี่ยวกับเรื่องเครื่องจักรเครื่องกลเขาก็มีบริหารจัดการเกี่ยวเครื่องจักรเครื่องกลระบบการบริหารการเกี่ยวกับกระบวนการวิธีการ เพราะฉนั้เนี่ยเม่งั้นจะมีวิชาพวกเหล่านี้ต้องเรียนกันทําไมอ่ะการบริหารการจัดการไม่ต้องมีหรอกเพราะมันมันเลยต้องมีต้องมีปัญหาอส่วนนี่เรียนหมอมาก็ต้องมีระบบการบริหารการจัดการในการรักษาคนเรียนเภสัชมาระบบบริหารการจัดการในการใช้ยาเดี๋ยวนี้ก็แพทย์ก็แตกสาขาไม่รู้กี่สาขาเรียนน่เพราะฉะั้นทุกอย่างปัญหาต้องแก่มีปัญหาหแก่ทั้งวันมีปัญหาหแก่ตลอดแต่ใจอ่ะ มีปัญหาหรือเปล่าถ้าใจไม่มีปัญหาก็เออหมดปัญหาหมดปัญหาที่ใจแต่ปัญหาทั้งโลกไม่มีหมดหรอกเราตายเมื่อไหร่เนี่ยก็จบที่เราเราตายที่ไรกันเมื่อไหร่ก็จบที่เราแต่เราต้องจบที่ใจเราก่อนโอ้ยไปร้อยบอกว่าปัญหาจบใจเราถึงจบไม่จบหรอกเราไปชีวิตอยู่เดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็แก่เดี๋ยว ก, ก็ต้องแก่เดี๋ยวก็แก่มีคนมาบอกว่าอาจารย์เมื่อไรที่ลูกผมเนี่ยหมดปัญหาแล้วเนี่ยผมถึงจะมีความสุข เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยวเดีม่คิดใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อไหร่ลูกผมหมดปัญหาเนี่ยนะผมนึกจะมีความสุขโอ้ยอย่างนี้คุณไม่มีความสุขหรอกแล้วคุณจะรอเมื่อไหร่ว่าลูกคุณหมดปัญหาแล้วคุณถึกจะมีความสุขเดี๋ยวเด๋ยวเดี๋ยวคุณคิดผิดแล้วใจเราต้องจบที่ใจเราก่อนใจเราต้องไม่มีปัญหาไม่มีปัญหากับเขาให้เป็นทุกข์แล้วปัญหาของตัวเขาก็ค่อยๆแก้ไปว่าเด็กมันมีปัญหาอะไรก็ค่อยๆแก้เออก็ค่อยๆแก้ไป แล้วเด็กมันก็ดีขึ้นเลยเนี่ยเพราะอะไรพอพ่อแม่ใจใจสบายพ่อแม่เริ่มเออปล่อยวางใจสงบขึ้นพ่อแม่ใจสบายใจสงบลูกก็เริ่มไม่มีปัญหาเลยเอาเลยไม่รู้ปัญหามาอยู่ที่ใครเนี่ยเราก็ดูเออเด็กเขาก็เป็นเด็กดีเป็นเด็กดีมากเลยแต่เพียงแต่ว่าเขาเป็นเด็กพิเศษแค่นั้นเองเขาเป็นเด็กดีจิตใจมีคุณธรรม มีธรรมะในใจมาตั้งแต่เกิดแต่เพียงแต่ว่าเขาเป็นเด็กพิเศษอ๋อยก็ไปปรับปรุงเขาไปในทางที่ที่ควรที่เขาควรจะเป็นในร่องทางของเขาเขาก็มีความสุขของเขาได้แต่มันมีความทุกข์ก็เพราะว่าพ่อแม่อยากให้ลูกเป็นอย่างที่พ่อแม่ต้องการมันเลยเป็นความทุกข์มากเลยเล่นพลอยให้พ่อกับแม่เป็นทุกข์แล้วก็พ่อแม่ก็เอาไฟไปโยนใส่ให้ลูกอีก จะต้องให้ลูกเป็นอย่างที่พ่อแม่ต้องการเป็นไม่ได้พ่อแม่ก็เครียดลูกทำให้ได้พ่อแม่อย่างใจไม่ได้ก็เครียดมากเลยที่สุดแล้วมีอยู่ลูกผู้ใหญ่อยู่คนหนึ่งเขียจนจดหมายวัฉบับหนึ่งว่าทำอะไรได้ทุกอย่างเลยยกเว้นอย่างเดียวทำให้ถูกใจพ่อไม่ได้ผูกคอตายไปเลยพ่อเก่งมาก สุดท้ายใจใลูกเป็นอย่างที่เป็นพ่อเป็นสุดท้ายบอกว่าทําทําได้ทุกอย่างแต่ยกเว้นอย่างเดียวที่ทําไม่ได้คือทําให้ได้อย่างใจพ่อผูกคอตายไปเลยเนี่ยเนี่ยหลายครอบครัวเราก็ต้องเอาพ่อเอาแม่ลูกมาพูดสมัยเออเด็กลูกคุณเป็นอย่างเนี้ยมองดูแป๊บเดียวก็รู้แล้วว่าโอ๊ยนี่มันไม่ใช่นี่มันเป็นเด็กพิเศษแล้วเด็กพิเศษมันจะไปเข็นอะไรก็เป็นเหมือนเด็กในทางโลกได้หรอมันก็ต้องไปในทางพิเศษของเขาบันนี้ก็จะชื่ออะไรว่าเด็กพิเศษเด็กพิเศษบางคนมัน มวยอัจฉริยะติ้งตองออัจฉริยะนะแต่บแบบอะไรว่าติ้งตองเ <c> ข <oughs> ้าใจไหมหรือศาสตราจารย์สติเพื่องเขาสติเพื่องจริงๆคิดเลขเร็วมากแต่เขาก็เก่งแต่เรื่องคิดเลขเร็วอย่างอื่นไม่รู้อะในโลกไหมไปยังไงไม่รู้เรื่องอะเนี่ยเราเห็นหลายคนบางคนก็เก่งดนตีโอโหปาดเปืองมากโดนตีปาดเปือกจริงจริงเลยหาคนจับยากมันมีหลายคนแล้วแต่ว่าเนี่ยถ้าจับทางถูกอ่ะว้ามไปโลดเลยขอให้ชีวิตเขามีความสุขในสี่ที่เขาเป็นเนี่ย แค่นั้นแน่ก็จบแล้วแต่มันมีความสุขทั้งพอ่อทั้งแม่ทั้งลูกก็เพราะว่าจะให้เป็นอย่างที่พ่อแม่ต้องการให้เป็นมันก็เลยพากันทุก ข, ข์ทั้งครอบครัวจนต้องผูกคอตายไปบ้างแล้วกินยาตายไปบ้างแล้วก็มีน่าสงสารจริงๆเลยอเอาซีดีฟังนะตั้งใจก็ดีเอ่ฝึกฝนดีออกมาได้ออกมาจากแช่ได้แล้วก็ดีแล้วไอ้ เ, อเจนีมันก็คอยเข้าไปแช่เนี่ยเเนี่เนี่ย เราก็คอยเข้าไปแชรไปจับอารมณ์เดียวไปจับอารมณ์แชร์แล้วไม่อยู่กับรู้ไปติดอยู่กับอารมณ์ไม่อยู่กับรู้อารมณ์ไม่เหมือนกันนะไปเสพอารมณ์กับรู้อารมณ์ไม่เหมือนกันคือเราจมไปในอารมณ์เลยที่กำลังเป็นเ่จมดิ่งไปเสวยดื่มดําเหมือนกับไปคนเสพยาเสพติด่ะดื่มดําเสวยอารมณ์ปีติสุขอบุเบขาไปดื่มดําเสวยอย่างนี้ไม่มันขาดความรู้สึกตัวนะ มันก็ต้องรู้สึกตัวอยู่ว่าเนี่ยมันมีอารมณ์ปีติเกิดขึ้นแล้วก็แค่รู้การดื่มด่ากับการรู้นี่ไม่เหมือนกันอย่างเนี้ยลมพัดตอนเนี้ยลมพัดมาสบายใจนั่งอยู่ในบรรยากาศธรรมชาติลมพัดมาเย็นสบายใจไหมเออสบายใจนะเออสบายใจก็รู้ว่าแค่สบายใจลมพัดมาเย็นแม่นั่งในธรรมาชาติเย็นชื่นใจใครจะไม่สุขใจสบายใจนั่งในเนี้ยถ้าสุขใจสบายใจทุกคนก็รู้อยู่อ่ะทุกคนก็รู้อยู่ว่าเออแต่ก็เราแค่รู้อยู่แค่นั้นแหละเออดีเว้ แม่ลมพัดเย็นมาชื่นใจขอบคุณเทวดาเอลมพัดมาเย็นชื่นใจทุกคนก็รู้ว่าเย็นชื่นใจแต่บางคนเลยเตลิดไปดื่มดํานั่งหลับตาเตพความสุขสบายชื่นใจนั่งเตะสุขหูไม่ค่อยรับรู้อะไรแล้ะหายไปเสียงที่เข้าหูไม่ค่อยรู้เรื่องและหลวงตาพูดอะไรก็ขาด ก, กระท่อนกระแทกกระทอกระแทกฟังไม่ค่อยรู้เรื่องแล้ะรับรู้แต่ เสพสุขสบายใจลมพัดเย็นสบายรู้แต่เรื่องสบายอย่างชื่นใจแต่ลุงตาพูดอะไรอยู่ไม่รู้เรื่องแล้วเริ่มไม่ค่อยรู้เรื่องเริ่มรู้เรื่องน้อยลงไปน้อยลงไปน้อยลงไปเสียงเริ่มขาดหายไปไอ้เนี้ยเขาเรียกไปเสพไปเสพอยู่เนี้ยเนี้ยอย่างเนี้ยไม่ใช่รู้อารมณ์กับเสพอารมณ์ต่างกันนั่นเสพอารมณ์เนี้ยเป็นกิเลสนั่งนั่ ง, น, งนั่งเสวยนั่งเสพอย่างนี้เป็นกิเลส เป็นกิเลสเป็นตัญหาอันเนี้ทางเนี้ยต้องเลิกแล้วต้องละให้ได้เด็ดขาดอถ้าละอันนี้ไม่ได้สอบไม่ได้นะถ้าละไม่ได้สอบไม่ได้ที่สอบไม่ได้เพราะว่าละอันนี้ไม่ได้ต้องอยู่กับรู้เนี่ยกับรู้เถอทุกคนก็รู้อยู่ว่นานั่งอยู่กับธรรมชาติที่สบายลมพัดเย็นสบายชื่นใจก็รู้ดูแล้วเราก็ฟังธรรมกันไปได้วยความรู้ตัวด้วยความรู้เรื่องแค่นั้นแนะ่แต่ไม่ใช่ว่า อืมสบายแล้วก็ดื่มดามอินเข้าไปเลยอินเข้าไปในบรรยากาศอินเข้าไปในอารมออินเข้าไปในความรู้สึกอินอย่างนี้ยหลงนะเขาเรียกว่าหลงอารมณ์เสพอารมณ์แค่รู้อารมณ์แค่รู้อารมณ์แต่อย่าหลงอารมณ์อย่าเสพอารมณ์แต่บางคนเนี่ยนั่งฟังหลวงตาอยู่ไม่ได้ไม่รู้เรื่องหลวงตาพูดไม่ได้ไม่ได้เสพอารมณ์แต่คิดฟุ้งซ่านหลวงตาเห็นแล้วข้างในอ่ะคิดฟุ้งซ่าน คิดเรื่องน้นเรื่องนี้เรื่องนี้มีเรื่องให้คิดเรื่องมีเรื่องมากหลายให้คิดโอ้ยอยู่บ้านมีเรื่องให้คิดมากมายก็คิดเลก็ยังมีเรื่องให้คิดมากอยู่แล้วอยู่ในที่ทำงานมีเรื่องคิดมากแล้วมาอยู่ที่นี่ยังจะอยู่กับธรรมชาติอยู่ใต้จนโพล่มโพล่มใส่อยู่กับธรรมชาติลมพัดเย็นสบายอยู่กับเสียงจะกระจันร้องเนี่ยสบายใจเนี่ยอากาศดีมากเลยแต่มาอยู่นี่แล้วก็ยังมีเรื่องให้คิด คิดต้นคิดนี่คิดตันคิดนี่คิดต้นคิดนี่อยู่นั่นแหละมานั่งคิดอยู่ได้ไอ้นี่มันฟุงซ่านฟุงซ่านแต่ถ้าจะคิดเนี่ยกลับไปบ้านก็ตั้งใจคิดอยู่ในที่ทํางานก็ตั้งใจคิดพอมาอยู่นี่ก็ตั้งใจฟังไปไหนก็เอาแต่คิดคิดคิดคิดคิดคิดเอาเรื่องที่ทํางานกลับมาคิดที่บ้านเอาเรื่องที่บ้านกลับไปคิดที่ทํางานตีกันยุ่งเหยิงไม่หมดแหละพอมาฟังทำก็ไม่ได้ฟังทำหรอกเอาที่ทํางานเอาเรื่องที่บ้านมานั่งคิด มันก็พุ่นวายไปหมดไอรู้ตัวนะรู้ตัวรู้ตัวรู้ตัวยลงคิดไปก็รู้ตัวลงคิดไปก็รู้ตัวรู้ตัวอยู่ <Anim. S 1> ให้มันอยู่กับปัจจุบันเนี้ให้มันมีความรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันอย่าหลงไปตามความคิดอย่าหลงไปตามอารมอย่าหลงไปเสพอารมอย่าหลงไปตามความคิด